นแนะนำทุกคนนะวันนี้ก็คนแยอะแต่คนเยอะตั้งคนปฏิบนะัติเก่าแล้วก็เยอะตั้งคนปฏิบัติใหม่เนาะเรา ที่จริงเดือนนี้ก็เป็นเดือนสําคัญนะเพราะว่าเดี๋ยววันที่20นี้ก็เป็นวันวิสาขบูชาเนาะเป็นวันเกิดเป็นวันตัศรู้แก็เป็นวันปริณิพานที่จริงวันเกิดกับวันปริณิพานยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไรหร่แต่วันที่สําคัญยิ่งกว่าก็คือวันตัสรู้นะอประการตัสรู้คือการเกิดจริงๆของพระพุทธเจ้า การเกิดออกมาจากคันประมานดาก็าเกิดออกมาเป็นเป็นรูปร่างเป็นหน้าตาก็าไม่ต่างจากเรานะเพระคือพะเจ้าก่อนเกิดก็ไม่ได้ต่างจากเรานะแม้บางทีประวัติอาจจะมีปาฏิหาริย์มีหลายๆอย่างนะแต่จริงใจท่านก็ไม่ได้ต่างจากเรามากไม่ได้ต่างอย่างไรก็คือว่า ก็ยังไม่เข้าใจความจริงก็ยังมีความคุกนะก็ยังเรียกว่านะหาคำตอบกับชีวิตนะไม่เจอว่าเราเกิดมาทำไมนะเคยคิดไหมเกิดมาทำไมนะมเกิดมาแล้วควรจะมีชีวิตอยู่อย่างไรนะหรือเราแน่ใจไหมว่า ถ้าเราจะตายไปเราจะตายไปที่ไหนบางทีชาวพุทธบางคนก็หวังว่าอยากจะให้เกิดในที่ที่ดีนะเกิดที่สวรรค์ที่จริงก็ไม่ใช่เป้าหมายของของชาวพุทธนะเราไม่ได้ว่ามาทําบุญเพื่จะได้ชาติหน้าจะได้เกิดในที่ที่ดีหรือว่า ตายไปแล้วจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีอันนั้นยังไม่ใช่จุดหมายของชาวพุทธนะแต่จริงจุดหมายของชาวพุทธจริงๆก็คือว่าทำยางไรเราถึงจะไม่เกิด <c oughs> เพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าการเกิดเนะี่ยมันก็มาคู่กับความกับความดับนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่ดับ หรือว่าจะอย่างการเกิดทุกข์่าวก็นำมาซึ่งความทุกขนะ์ไม่ว่าจะทุกกายก็คือแก่เจ็บตายนะหรือทุกใจเราก็หนีไม่พ้นจากการพักผ้าสูญเสียนะประสบกับสิ่งที่เป็นที่พอใจที่ไม่พอใจนะมีคำดินทามีคำสรรเสริญนะพ่อนแม่นะ ตายจากเราไปมันก็คือการท่าท่าสูญเสียนั้นพระพุทธเจ้าท่านตะลิงลบอกว่าเนะ่ะที่จริงการเกิดนะเนี่ยก็คือนํามาตึงความทุกขนะ์ทางกายนะแต่ถ้าเราเกิดมีสติปัญญาเนะี่ยมันจะทําให้เรานะพ้นจากทุกข์ทางใจได้นะคือมันมีการเกิดสองอย่างนะพระพุทธเจ้าเกิด เมื่อแปดสิบปีก่อนพุทธกาลเนี่ยเกิดที่รูปร่างลักษณะเป็นมนุษย์แต่หลังนั้นที่สามสิบห้าปีท่านเกิดความเข้าใจความจริงการเกิดความเข้าใจความจริงนั่นแหละทาให้ท่านพ้นจากความทุกข์ได้ซึ่งตรงนี้มาเป็นมรดกที่สาคัญน ะ, ะที่พระอจาต์ทจริงให้พวกพวกเราไว้ว่า เราก็สามารถทำแบบท่านได้ก็คือการเกิดสติปัญญาขึ้นในใจของเราเนี่ยเราสามารถทําได้การจะเกิดสติปัญญาก็ต้องทําแบบไหนก็ต้องมาเรียนรู้ว่าการมีสติทําแบบไหนการมีสติเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญนะที่จะพาจิตใจไปสู่ความไม่ทุก์ศล สตินะั่เป็นกุญแจดอกเอกกุญแจสําคัญที่จะทําให้เราค้นพบความมทุกข์นะเพราะอะไรถ้าเราขาดสติไม่ใช่ขาดสติแบบคนเสียสติคนบ้านนัะ่นะนะคาว่าขาดสติเนี่ยก็คือว่าใจเราไม่ปกตินี่เรียกว่าขาดสติโกรธก็คือขาดสตินะพอโกรธนะใจเราก็ มันกระวนกระวายนะมันมันไม่ปกติเราอยากได้อะไรนะใจเราก็ฟุ้งซ่านใจเราก็รู้สึกมันไม่อยู่กับปัจจุบันเนาะคิดถึงเป็นสิ่งที่เราอยากได้เราหลงนะหลงอยู่ในความคิดหลงอยู่ในความฝันก็คือใจเราไม่ปกติเรียกว่านะถ้าเราขาดสติก็คือ เรียกว่าเรามีความทุกข์แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นทุกข์เพราะเราคิดว่าถ้าเราได้อย่างสิ่งที่เราปรารถนาแล้วมันจะมันจะทําให้เราค้นเจากความทุกข์มันจะทําให้เรามีความสุขจริงๆเนาะเช่นเราอยากได้อะไรเน่ยเคยสังเกตไหมเราอยากได้เนี่ยเราก็รู้นะว่ามันเป็นทุกข์แต่เราคิดว่าถ้าเรา ได้มันมาเนี่ยมันจะทําให้เราพ้นทุกข์ทำให้เรามีความสุขนะแต่ที่จริงการที่เราจะพ้นทุกข์แบบนั้นหรือมีความสุขแบบนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นการพ้นทุกข์จริงๆนะมันเหมือนเป็นเพียงแค่เราคิดว่าถ้าเราได้มันมาเนี่ยมันจะทําให้เรามีความสุขกว่าที่เรามีหรือว่าทุกข์น้อยกว่าที่เราเป็นอยู่นะเอา ตัวอย่างง่ายๆนะเช่นสมมติเราไปซื้อรองเท้าใหม่สักคู่หนึ่งนะเราไปที่ร้านเนาะก็จะมีรองเท้าให้เลือกหลายร้อยคู่ใช่ไหมเราใส่รองเท้าคู่แรกอ่อเท้ากับรองเท้าสัมผัสกันเรารู้สึกมไม่สบายใช่ไหมพอมันไม่สบายเราก็ต้องเลยเราก็เลยเลือกรองเท้าคู่ใหม่ใช่ไหม แต่ก็ต้องดูว่ารองเท้าคู่นี้มันน่าจะสบายกว่ารองเท้าคู่คู่เมื่อกี้นะเราใส่ไปมันก็ยัไม่สบายอละนะก็เราก็ต้องเลยเลือกรองเท้าคู่ใหม่ใช่ไหมอาจจะเลือกอีกหลายสิบคู่ค่อยถูกใจ <c ười> คือกระบวนการนะี่ยก็คือว่าเท้ากับรองเท้ามันสัมพันธ์มันสําผัสจนแล้วมันไม่สบาย ก็ความทุกข์ใชความทุกข์อาจจะทุกข์ของน้องของเท้าส่วนหนึ่งหรือจะทุกข์ใจส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกมันไม่พอใจนะเราก็ได้เปลี่ยนนะเราก็เลยเปลี่ย น, นะ เ, เ, ย เ, ปยนเปลี่ยนจนกรทั่งเราคิดว่ามันสบายที่สุดนะเท้ากับรองเท้ามันสัมพันธ์กันล้สบายที่สุดนะเราก็ได้ว่ามันมันมีความสุขมันดีแล้ว แต่จริงก็คือกระบวนการอะไรกระบวนการก็คือเราพยายามที่จะนะดิ้นรนในการออกเสดความทุกข์ให้มากที่สุดเท่าที่ทําไดนะ้แต่การซื้อรองเท้าการเปลี่ยนรองเท้าบางทีก็อาจจะทําได้ง่ายก็แล้วมันมีให้เลือกเยอะแล้วก็เราก็ค่อยแก้ลองใส่ใหม่ไปเรื่อยๆมันก็จะเจอสิ่งที่มันทุกข์น้อยที่สุดนะหรือสบายที่สุด แต่ที่จริงชีวิตเรานะบางทีเราก็ใช้วิธีคล้ายๆเปลี่ยนรองเท้าอะไรไปเรื่อยเ <c oughs> ช่นเรามีคู่ เ, เรารู้สึกว่าคู่ของเราไม่มีสุขมีปัญหาแล้วก็คิดว่าจะเปลี่ยนคู่แล้วมันจะมีความสุขหรือปัญหาน้อยกว่าแต่จริงมันก็เหมือนกับเปลี่ยนรองเท้านะเอะเหมือนรองเท้าคู่ที่สองเราคิดว่ามันจะดีกว่าเก่านนะ แต่ก็ให้มีอะไรรับประกันนะว่ามันจะดีกว่าเก่าใช่ไหเราเปลี่ยนคู่ไปแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรรับประกันนะว่ามันจะดีตัวเก่าเปลี่ยนแบบเราคิดว่าหรือว่ามันน่าจะใช่บางคนไม่พอใจในคู่ที่สองก็ต้องไปหาคู่ที่สามคู่ที่สี่ไปเรื่อยคู่ชีวิตของเราก็เหมือนกันนะบางทีเราก็ไปเลือกหาที่เปลี่ยนแบบนั้นไปเรื่อยอาจจะ ดีขึ้นหรืออจะไม่ดีขึ้นก็ไม่มีอะไรรับประกันนะ <c oughs> มีอะไรรับประกันแต่เราก็มักจะใช้วิธีคิดว่าอ น, นาคตข้างหน้าน่าจะดีกว่าที่อยู่ปัจจุบันนะอันนี้นะหรือนักปฏิบัติธรรมบางนคนก็อาจจะเลือกอีกคล้ายๆกันนะเช่นเราปฏิบัติที่นี่นะมันรู้สึกว่าไม่ค่อยสงบ <c oughs> เราคิดว่าถ้าเราไปปฏิบัติอีกที่อื่นนะมันจะสงบกว่าเช่นเราอยู่ที่บ้านเนาะเรารู้สึกมไม่สงบปฏิบัติไม่ได้คิดว่าถ้าไปอยู่ที่วัดมันจะสงบกว่านะแต่พอไปอยู่วัดจริงๆเอากลับไม่สงบเลยละ่นะแต่ไปหาวัดไหม่ดีกว่านะที่มันน่าจะสงบกว่านะหรือหาวัดไหนๆก็ไม่สงบเนอะไปสร้างบ้านอยู่ ในชนบทอยู่คนเดียวปฏิบัติดีกว่าก็คือเราคิดว่าที่ตรงนี้ไม่สงบก็ต้องหาที่อื่นที่มาสงบกว่าเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะเปลี่ยนไปเรื่อยเราคิดว่าปัใจจัยภายนอกคือสิ่งที่ทำให้มันเกิดความทุกข์เนาะแต่พระพุทธเจ้าท่านท่านสอนปรับข้างนะท่านสอนให้เราปรับใจของเรานะ ท่านสอนให้เราปรับใจของเราให้หาความสงบหาความสุขหรือว่าหาความมิตกทิตใจของเราให้เจอถ้าเราปรับทิศใจของเราได้นะอย่างอื่นมันจะไม่เป็นปัญหา <c oughs> อันที่จริงนะอืมแต่บางอย่างที่มันเป็นเรื่องทางกายเราก็ต้องแก้ไขแมนะ่แม่เนาะรองเท้ากัดมันก็ต้องเปลี่ยนะร่างกายไม่สบายเราก็ต้องรักษาะ อากาศร้อนเราก็ต้องอาบน้ำนะอากาศหนาวเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าอันนั้นมอนใช่แต่สิ่งสาคัญคือคนส่วนใหญที่ว่าถ้าเราปรับภายนอกได้จะทำให้ใจเรามีความสุขแต่จริงมันไม่ใช่เป็นหลักล้ก็การทำนั้นเรามีความสุขจริงๆเนะหลักที่จะทำให้เรามีความสุขจริงๆคือการปรับใจนะปรับใจในที่นี้ไม่ใช่เป็นการเสแต่งทาใจนะ ไม่ใช่เป็นการเสรแรงทำใจให้ดูมีความสุขตลอดเวลาการปักใจจริงๆก็คือการมีสติรู้ทันใจนะมีสติรู้ทันว่าตอนนี้ใจมีความชอบเกิดขึ้นตอนนี้ใจมันมีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นตอนนี้ใจมันอยากนะลองดูดูความอยากนะไม่ใช่ทำตามความอยากนะ ดูความโกรธไม่ใช่ต่างๆความโกรธดูความกังวลนะบางคนอาจจะขี้กังวลกลัวกังวลนะเราก็ต้องดูนะถ้าใจตอนนี้เราอยู่กับความก vale ังวลหรือเราเห็นความกังวลมาอยู่ในเกิดขึ้นในใจถ้าใจเราอยู่กับความกังวลเราจะเป็นผู้กังวลเป็นผู้กลัวแต่ถ้าเราเห็นความกังวลเกิดขึ้นทีใจนะเราก็จะเห็นมัน เกิดขึ้นเห็นมันตั้งอยู่แล้วก็เห็นมันดับไปมันสงสัยแวลาสงสัยนะเราก็จะบเจตหาคําตอบไม่ได้นะแต่ถ้าเรามีสติเราก็ดูความสงสัยสงสัยมันธรรมชาติมันคืออะไรมันเกิดแล้วก็ดับคําตอบก็เหมือนกันนะเกิดแล้วก็ดับนะอะไรที่เราได้รู้สึกเป็นคําตอบนะสังเกตไหม ชีวิตเราคงมีคําถามหลายอย่างเนาะแล้วเราก็ได้คําตอบมาหลายอย่างแล้วถามมาตอนนี้ยคําตอบเท่านั้นไม่ดีในใจของเราอยู่ไหมเรากินข้าวเราก็มี ส, น, สนใจคําตอบคำถามนะฮะชีวิตจริงของเราก็มาปรกสบการ์กินข้าวเราเดินก็เหมือนกันไอที่เคยทุกข์เคยสุขมามากๆมันตัวนี้ไม่ได้มีอยู่ตอนนี้ละเพราะชีวิตจริงของเราจริงคือตอนนี้เท่านั้นน่ะตอนนั้น เราก็ต้องรู้จักชีวิตจริงของเราตอนนี้แหละนะก็คือการมีสติอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันก็คือว่านะเมื่อกี้ก็บอกว่าให้เรารู้ทันใจของเรานะรู้ทันใจรู้แบบไม่ต้องไปจัดการเขานะใจมันเป็นแบบไหนก็แค่ดูมันะคำว่าดูมันคำว่ามันไม่ใช่เราใช่ไหมไม่ใช่ดูใจเรานะ่จริงดูดูมันเป็นไปนะ ตามเหตุตามปัจจัยนะดูใจมันคิดดูใจมันสงสัยดูใจมันโกรธดูใจมันอยากนะลองดูถ้าเราดูจริงๆนะเราจะเห็นมันดับทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับนะนี่คือว่าแต่เราเฝนะ้าดูจริงๆเราก็จะเห็นมันนะหรือเรายังดูใจไม่ถนัดส่วนใหญ่พอจะไปดูใจ มันก็จะไปคิดมันก็จะไปจมให้กลับมาดูกายนะวิธีการที่ที่ง่ายกว่าการดูใจนะอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะแต่ก็ จ, จะเหมาะกับหลายคนก็คือเริ่มต้นดูที่กายก่อนดูที่กายที่เรากำลังทําตอนนี้แหละนะอย่างนั่งตอนนี้รู้รู้สึกไหมว่ากำลังนั่งหรือไหมหายใจรู้ไหมห เริ่มกลับมาหายใจแล้วนะที่จริงหายใจอยู่แล้วนะแต่เริ่มกลับมาหายใจใหม่มให้มันชัดก็าเราหายใจอยู่เปล่าแนะ่ อ, อนะนะก็อะไรก็ได้นะเราก็กลับมาดูตัวเราเนี่ยแหละดูร่างกายคำว่ารู้รูป ร, รู้นามนะที่จริงก็คือรู้ความเป็นอยู่ของรูปว่ามันอยู่ตอนนี้อยู่ในกิจวัตรไหนรู้นามก็รู้ว่า นาตัวเนี้มันอยู่ในอิเล็กท์ไหนมันรู้สึกอย่างไรก็นะแค่นะั้นรู้ความมีอยู่ของมันนะถ้าเราไม่ดูนะเราจะเหมาเราจะตู่ว่ามันเป็นคือเรานะเราเจ็บเราเครียดนะเราอยากนะแต่จริงถ้าเรารู้นะเราจะเห็นกายก็เจ็บนะเห็นใจเขาเครียด เห็นใจเขาอยากนะมันจะทุกข์น้อยกว่าเปล่าเยอะเลยนะน้องพ่อคนเขียนเทถามนะักปฏิบัติธรรมนะมีนักปฏิบัติธรรมบอกว่าวันนี้หนูเครียดปฏิบัติธรรมแล้วเครียดมากน้วงพ่อก็บอกลองพูดใหม่ดูสิเขาก็แต่ก่อนเครียดก็หน้านิ้วคิ้วหมวดใช่ไหมก็จริงจังกับตอนเครียดนะน้องพ่อก็บอกถามใหม่พูดใหม่ดูสิเขาจะบอกว่า อ๋อวันนี้หนูเห็นมันเครียดอพอแค่พูดว่าเห็นมันเครียดที่จริงมันก็ใจเขาก็คงเริ่มเห็นอี่ยที่เขาพูดนะมันก็สบายขึ้นใจก็สดชื่นขึ้นแต่ถ้าเราไปเอาจริงเอาจังประมันมากนะมันก็จะเครียดเปล่าๆหรือบางคนปฏิัติแล้วง่วงนะง่วงแล้วไม่พอนะอยังโกดตกอนง่วงด้วยเคยไมืม ไม่น่าม่วงเลยนะปวดฟังม่วงนะหัวงพ่อเคยเลา้ฟั่งตอนบวดใหม่ๆบอกมีพระก็ปฏิบัติธรรมอยู่ใกล้ๆนะจะอยู่ต่ำกว่าท่านนิดนึงท่านอยู่บนกุฏิพระก็อยู่กุฏิข้างล่างเดินจงกลมนะหัวงพ่อก็เดินจงกลมพระรูปนั้นก็เดินจงกลมเหมือนกันเดินไปสักคั้หนึ่งหลวงพได้ยินเสียงเหมือนเปี้ยเปี้ยหลวงพ่อก็เลยหันไปมองดู ปรากฏ ว, ว่าพ่อรุนั้นเอารองเท้าแตนะนาะตีหัวตัวเองอยูอ่ <c oughs> ออแล้วก็แล้วก็โกรประมาณว่าทําไมมันง่วงแต่เกินทาไมมันง่วงแต่เกินประมาณนะั้นคือง่วงแล้วก็ทุกข์นะแต่เปเกลียดความง่วงด้วยก็เลยยิ่งทุกข์กว่าเก่าแล้เนะก็ทั้งง่วงทั้งทั้งโกรธนะนี่คือแต่เราจะทําไงให้เรา แคเห็นว่ากายมึ่ง่วงแค่รู้ทันว่าใจตอนนี้ยมันไม่ชอบคนง่วงนะถ้าเราแค่เห็นว่ากายง่วงนะหมาว่าเหมือนมัอนโยงเคยทางานไปนึก ด, ดึกใช่ไหมกายง่วงอ่แต่ใจเราแบบประมานว่างานนี้มันต้องเสร็จอะ่ะ <c> ถ <ười> ึงง่วงก็จะทะําอ่ะใช่ไหม ม, มันก็มันก็ไม่โกรธคนา ง, ง่วงนะมันก็คน ง, ง่วงก็เป็นเพียงแค่อาการของกายเพรายอะไร แต่ใจเราเจดจ่ออยู่กับงานที่ทําใช่ไหมเออสักพักหนึ่งความง่วงก็ค่อยค่อยดีขึ้นหรือไม่้แต่คงเหมือนเดิมแต่เราก็เรามาโฟกัสที่งานที่เราทําใช่ไหมความง่วงก็เป็นเพียงแค่ปุดประจักเล็กน้อยนะแต่มันไม่ปวดไม่เกลียดมันก็เป็นเพียงแค่อาการที่เรายอมรับได้ว่าเออเราทํางานมันหนะักหรือมันดึกมันต้องง่วกก็ธรรมชาติใะ่ไหมอันนี้คือเราก็ผ่านมันได้นะ แต่พอเราปฏิบัติทำบางทีเท่าไหร่เราไม่ผ่านเ <c oughs> พราะว่าเราจริงจังเกินไปเราเครียดเกินไปนะเราเอาถูกเอาผิดตำมันมากเกินไปนะทาไมมาถึงง่วงแล้วก็มเราก็สงสัยเราก็ไม่พอใจหรือทําไมมาถึงคิดมากนะทําไมมันถึงคิดแต่เรื่องนี้เยอเกินนะคิดไวเยอเกินใช่ยอืมเนะี่ย เพาเราไปจริงจังเราไปเคร่งเครียดมันเกินไปแต่ถ้าเราก็คิดมากก็แค่รู้ว่าคิดมากคิดเรื่อง น, นี้อีกแล้วก็แค่รู่าคิดเครื่อง น, นี้แล้วนะเราก็ได้ว่าไม่ให้ค่าเนาะถ้าเราไม่ให้ค่ามันก็ไม่มีค่าอ <c oughs> ถ้าเราให้ค่านะมันก็มีค่าเมื่อสังเกตไหมยุ่งกัดนะเราไปเพง่งตรงที่มันยุ่งกัดเนี่ยโอ้ทุกมากเลยนะใช่อืม แต่ถ้าเราไม่ไปเฮ่งจ้องมันก็แค่เป็นอาการอย่างหนึง่งเดี๋ยวมันก็หายไปนะไม่ต้องไปทำอะไรมันมากอันนั้นปฏิบัตินะบางทีอาจจะมีอาการทางกายเช่นความง่วงความเมือ่อยนะหรือว่าอาการทางใจเช่นความเครียดเช่นความคิดความไม่สงบนะอย่าไปเพ้่งไปสนใจมันให้มาสนใจที่ตังไหน สนใจที่กรรมฐานที่เราทํากรรมฐานที่เราทําคืออะไรเช่นกายที่เคลื่อนไหวนะมาสนใจที่การยกมือทีละครั้งรู้สึกเคลื่อนก็รู้สึกหยุดก็รู้สึกนี่มาสนใจตรงนีนะ้เดินก็เหมือนกันกลับมาสนใจอยู่ที่การเดินทีละก้าวก้าวเดินก็รู้สึกสัมผัสลงไปก็รู้สึกนะ ให้มาสนใจตรงเนี้ยเหมือนเนยที่บอกว่าบางทีเราทํางานน่ะบางทีมันง่วงนะแต่พอเรามาโฟกัสที่งานที่เราทําเนี่ยความง่วงจะไม่เป็นกุปศลนะเรามาโฟกัสอยู่ที่การเคลื่อนไหวหรือการหยุดนิ่งทําเป็นจังหวะแค่นี้พอนะแต่การมาโฟกัสไม่ใช่เป็นการจ้องนะไม่ใช่เป็นการบังคับว่ามันจะต้องอยู่แบบตรงนี้ตลอดนะ ตอนไหนที่ใจเราเผลอเอาไปคิดอีกแล้วเราก็แค่รู้ทันรู้ทันแล้วส ต, ติมันจะปรับให้เรากลับมารู้ทันกายที่เราทำเองนะเหมือนเหมือนเมื่อไรที่มันมืดเราแค่แค่ส่องไปฉายไปความมืดมันก็จะหายไปกลายเป็นความสว่าเมื่อไรที่เราหลงไปคิดแล้วเรารู้ทันว่ามันเผลอไปคิด จิตมันก็จะหยุดคิดของมันเองนะอันนี้ยก็ไม่ต้องทําอะไรนะเราก็กลับมาโฟกัสในการจารทาของเราให้ให้ชัดขึ้ น, น, นเนาะโดยเฉพาะผู้ปฏิบัตใหม่ๆกลับมากลับมาตั้งใจในการรู้กายให้ชัดขึ้นนะมันจะเป็นการลดความคิดนะไม่ต้องเดี๋ยวเพิ่งไปยึงกดความคิดเหมือนกันกลับมาตั้งใจรู้สึกทีละครั้งสําคัญนะรู้สึกตัวทีละครั้งก็พอ มาเคยพูดหลายทีนะเพราะว่ารู้สึกตัวนี่แหละมันก็คือความไม่ทุกข์นะนะเคยมีคนจีนไปปฏิบัติที่อาสนวิรยทยธรรมนะน่ก็บอกเขาก็สงสัยทําแค่นี้เหรอติดตามปฏิบททัติธรรมนะนี่ก็บอกนะี่ตอนที่รู้สึกตัวนะ่ะมันทุกข์ไหมไม่ทุกข์ใช่ไหมตอันนี่รู้สึกตัว ม, มันไม่ทุกข์ใช่ไหมก็ทำแค่นี้แหละนะ แต่เขาก็ยังสงสัยต่ออะถ้ากลับไปที่บ้านไปทํางานไปเจอเรื่องครอบครัวมันก็ต้องทุกข์สิถามว่าตอนนี้ที่มันคิดเนี่ยอคิดแล้วก็ว่าคิดว่าจะไปทุกข์ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นความทุกข์ของจริงหรือเป็นความคิดมันก็คือความคิดใช่ไห ม, มคือความคิดเราคิดถึงอนาคต แล้วใจเรากังวลต่เราเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นความทุกข์ที่อนาคตหรือเป็นความทุกข์ที่ปัจจุบันอนาคตหรือปัจจุบันปัจจุบันนะใช่ไหมเหมือนคนกลัวผีนะยังไม่เห็นผีเลยมันกลัวรัตรใช่ไหมแล้วก็ทุกข์ตอนนี้ใช่อืมใชม่อืมเหมือนเหมือนอนาคตอะ เราจะตายวันไหนก็รู้นะแต่พอคิดถึงความตายคิดถึงการพักเท่าสูญเสียเนะ่ะใจมันกลัวใช่ไหมกลัวว่าคนที่เรารักคนที่เราห่วงจะตายเนะี่ยถามว่าเขาตายหรื อ, อย่างยังแต่ใจเราทุกคนนะใช่ไหมใจเราทุกแล้วใช่ไหมหรือเรื่องราวในอดีตนะี่ยที่เคยทําให้เราเกิดความทุกข์ใจมันก็ผ่านไปแล้วนะแต่พอเรามาคิดถึงมันอีกทีเราก็ทุกตอนนี้นะใช่ไหมนั้น ความทุกข์ที่เราคิดในอดีตรหรือทุกข์ที่เราคิดถึงเรื่องนอนาคตที่จริงมันคือความทุกข์ตอนนี้ใช่หมคือความทุกข์ตอนนี้เท่านั้นถ้าเราเปลี่ยนความทุกข์จากความคิดนะมาเป็นความรู้สึกตัวมันจะเป็นแบบไหนมันก็คือความไม่ทุกข์ใช่ไหมะ <c ười> นะเปลี่ยนจากความหลงไปคิดนะมาเป็นความรู้สึกตัวแทนมันก็ไม่ทุกข์แล้วใช่ไ เราก็ทําแค่เนี้ยแหละนะนะถ้าเราทุกพะความคิดแล้วก็เปลี่ยนจากความคิดมาเป็นความรู้สึกตัวมันก็ไม่ทุกข์แล้วอนะ่แต่ตอนไหนเราจะใช้ความคิดเราก็ใช้ความคิดเพื่อทํางานเพื่อวางแผนเราก็ใช้ได้นะไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนคิดไม่เป็นนะที่จริงมันคิดถูกไลซ้ถ้าเราคิดด้วยการมีสติมีสมาธินะคิดในการทํางานนะ นะคิดในสิ่งที่ถูกคิดในคิดแล้วก็ว า, างคมคิดได้มาเราขับร้อ่ะคันเร่งเราก็เหยียบได้เบรกแล้วก็เหยียบได้ที่จริงแล้วเท้าเดียกก่ยวน้ะเท้าขวาที่เหยียบคันเร่งกับเหยียบเบรกก็คือเท้าขวาทำไมเขาไม่เอ า, ทานะเท้าซ้ายมาเหยียบเบรกเท้าขวาเหยียบคันเร่งเนี่ยมันทําด้วยกันไม่ได้นะทั้งเร่งด้วยทั้งเบรกไปด้วยเนี่ยมันมันวุ่นนะเพราะนั้นต้องทำทีละอย่าง ความคิดก็เหมือนกันนะเราจะปฏิบัติไปด้วยคิดไปด้วยเนี่ยไม่ได้นะนะปฏิบัติไปด้วยให้วางความคิดไม่ว่าจะความคิดสงสัยธรรมะก็ดีคิดใท่ควรฟังธรรมที่ได้อ่านได้ฟังก็ดีบาลไม่กอนนะทําแบบคนคิดไม่เป็นนะ่ะลองปฏิบัติแบบทําเหมือนคนเออไม่ไม่ไมทําแบบไม่ต้องคิดอการไม่คิดก็คือแค่รู้สึก นะมาเรียกต่างการคิดคือการใช้สมองเปลืองพลังงานแต่การรู้สึกตัวคือการใช้ใจใจกับสมองคนอ่านกันนะรู้สึกตัวเนี่ยใช้ใจไม่ต้องใช้ขวัญคิดนะเราพลิกมือเนี่ยรู้สึกได้เลยไหมพลิกมือรู้สึกได้เลยนะตอนคิดไหมไม่ต้องคิดรู้สึกนะรู้สึกเหมือนมาพูดอะไรทรังมีคน เช่นลมกระทบถูดเราเนะี่ยต้องคิดไหมว่ามันมันรู้สึกไม่ต้องนะแต่ความรู้สึกอนะมันสัมผัสได้เลยนั้นความรู้สึกตัวจริงๆมันใช้ใจนะใจที่มีสติคอยรับรู้นะรู้ความเป็นไปของกายและรู้ความเป็นไปของอาการที่เกิดขึ้นกับใจนะใจตวเนี้คือใจที่เป็นปกติใจปกติคือใจที่รู้ ที่ตื่นที่เปิดบานแล้วก็คอยดูความเป็นไปของร่างกายดูสิ่งที่เกิดขึ้นในอาการของใจนะก็แค่ดูไปเรื่อยในปัจจุบันเนาะไม่ต้องทำอะไรมากนนัวนี้แต่เพียงแตาว่าให้รู้ทันเร็วๆนะมันจะมีอุปสรรคคือการแทรกมาเช่นนี่แหละความคิดฟุ้งซ่านความสงสัยความไม่แน่ใจ หรือความคิดชอบคิดชังหรืออาการทางกายความง่วงความเมื่อยนะมันก็เป็นเพียงแค่บททดสอบเนะแต่ทําไหเราจะกลับมารู้สึกตัวนะก็ทําเหมือนนะี้ถ้าเรากลับมารู้สึกตัวได้ใจก็กลับาเป็นปกตินะกลับมารู้สึกตัวได้ใจมันก็ไม่ทุกข์นะทาแค่นี้นะนะเราจเจริดนสตินะอย่าที่บอกเราจะดิดนสติจะเยอะจะเกิดปัญญานะ สติจะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาปัญญาคือเราเข้าใจความจริงว่าไอ้ที่เราคิดว่ามันเป็นเราอะ่ะที่จริงมันคือเราตูอเอานะที่จริงมันคือรูปกับนามนะหรือว่าพูดง่ายๆคือกายกับใจนะมันประกอบกันเป็นรู ป, เ ป, รปเป็นร่างเป็นอารมณ์ของรู้สึกที่จริงมันคือธาตุสี่นะก็คือรูปขันห้าก็คือรูปกับนามนะมาประกอบกันนะ ไม่มีเราแก่ไม่มีเราเจ็บไม่มีเราตายนะมีแต่รูปที่ค่อยแก่เจ็บตายแม้แต่ใจก็เป็นธรรมชาติที่ที่ละเอียดคนนั้นเพราะสิ่งที่ยากขึ้นกว่ากายการเห็นกายว่าเป็นรูปนะเป็นอาการเฉยๆนะคือการเห็นอาการของใจเพราะว่ามันจะมีความรู้สึกว่าเราสุดเราทุกข์เราโกรธเราอยาก นะเราอยากจะค้นจากความทุกขนะ์คืออาการของใจเนะี่ยมันจะยากที่จะเห็นว่ามันเป็นมันไม่ใช่เราเพราะเรารู้สึกมันเป็นเรานะเดี๋ยวเราก็สุขเดี๋ยวเราก็ทุกข์เดี๋ยวเราก็คิดอะไรต่างแต่ถ้าเราปฏิบัติเรื่อยๆไปค่อยๆแยกเห็นอืมันเป็นอาการนะอาการที่พระตาพัพเรียกว่าเวทนานะเวทนามันก็มีสุขมันมีทุกข์มีเฉย ปภาษาพากยที่เรียกว่านสังขารสัญญานสัญญาเดี๋ยวมันก็จําได้มันก็จําไม่ได้เดี๋ยวมันก็ระลึกได้เดี๋ยวมันก็ระลึกไม่ได้อการปรุงแต่งมันก็เป็นของมันเองนะปฏิบัติไม่ได้อยากไปคิดนะมันก็คิดของมันเองใช่ไหมคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยคือการปรุงแต่งมันเป็นของมันเองการรับรู้ก็เหมือนกันเดี๋ยวมันก็ได้ยินของมันเองเดี๋ยวมันก็เห็นของมันเอง เดีนก็ปุดขึ้นในใจของมันเองอันนี้คือถ้าเราเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่ธรรมชาติของของขันเนาะธรรมชาติของขันถ้าเรามองเป็นธรรมชาติของขันเนี่ยมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่เราแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นเรามันก็เลยกลายเป็นผู้ทุกขนะถ้าเราดูจริงๆมันเป็นธรรมชาติของของธรรมดานะร่างกายมันเจ็บมันก็เป็นธรรมชาติของร่างกาย จิตใจมันคิดมันก็เป็นธรรมชาติของจิตใจนะนะ้ น, นตามปฏิบัติทําจริงๆเราจะค่อยๆแยกมันเป็นเพียงแค่อ่ า, อาการของมันที่มันมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดตรงนั้นขึ้นนะมันก็แค่ดูมินเฉยๆนะเออพอดูเฉยๆแล้วมันจิตนะที่เราจะไปยึดนะ่ะไปยึดยึดอะไรก็หนักจิดอะไรมันก็อ่าเปื้อนนะ แต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็ไม่หนักมันก็ไม่เพื่อนเน่ะดูเฉยๆแล้วใจเราจะเป็นอิสระคาว่าใจเป็นอิสระก็คือใจที่มันเรียกว่าไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานในขันธ์ทั้งห้าว่าเป็นเราเป็นของเรานั่ยแหล ะ, ะ, ะาภาษาพระ้างทีก็เรียกว่าเนี่ยคือการปล่อยการวางน ะ, ะหรือนิพานก็จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ แต่จริงๆก็คือมันไม่ทุกขนะ์นะั่นแหละจริงๆก็คือมันไม่ทุกข์แล้วมันเป็นปกติแล้วอันนี้คือเราก็ปฏิบัติแบบนี้แหละนะที่จริงเบื้องต้นก็ดีท่ากลางก็ดีหรือที่สุดก็ดีนะก็เพียงแค่ให้มีสติให้มีความรู้สึกตัวมีสติตอนนี้นะก็ไม่ทุกข์ตอนนี้นะมีสติจนถึ่งตอนตายก็ไม่ทุกข์ตอนตายนะ ไม่ต้องกลมาเกินมาอีกเนะี่ยก็คือเป้าหมายของของนะชาวพุทธเรานอกที่เราเกิดมาทั้งทีก็ต้องทาสิ่ง น, นี้ให้มากที่สุดนะแต่จะได้ขนาดไหนนะก็อย่าไปเครียดกับมันทําเท่าที่มันทําได้นะทาให้มันเป็นที่นะทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้แต่มันจะได้ขนาดไหนเป็นเรื่องของเหตุของปัจจัยไม่ใช่เป็นเรื่อง ใจเราอยากเนา ะ, น, ะนี่คือเราก็ทำันนี้น็อกก็แต่วันนี้ก็นปาราก็ทำในตอนเช้าตอนนี้น็อกส่วนนักปฏิบัติธรรมที่